ปฏิบัติจิตภาวนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัธรรมจำกัดจำเพาะที่เดียวแก่พระที่สุดสงฆทั้งหลายว่าพิสุททั้งหลายเราไม่มองเห็นสิ่งอื่นแม่อย่างหนึ่งเมื่อฝึกฝนดีแล้วหรือเมื่อฝึกฝนได้แล้ว ย่อมใช้การใช้งานได้ดีเหมือนกับจิตนี้เลยจิตนี้ฝึกสุดทั้งหลายถ้าพยายามฝุกดีแล้วใช้การใช้งานได้ดียิ่งกว่าสิ่งใดในโลกองค์สมเด็จกระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัแต่เราก็ควรจะใช้ปัญญาพิจารณาจงกันข้ามา ถ้าฝึกไม่ดีแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะชั่วกว่าจิตมันทำลายได้อย่างน่าอัศจรรย์ทำความเสียหายได้อย่างมากทีเดียวไม่มีอะไรจะเลวสามยี่กว่าจิตเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งซำเนี่ยพึ่งศึกษายึดหลักกันนี้เป็นวิธีการประกอบสุจิตและอบรมจิต องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ใช่พูดส่ตัดลอยลอยพระองค์ประจากความจริงที่พระองค์ฝึกมาแล้วพระองค์ได้สําเร็จประโยชน์แล้วที่หน้าอัศจรรย์จิตนี้เมื่อฝึกเไปแล้วมันอัศจรรย์ด้วยไม่ใช่ธรรมดาเรารู้ความอัศจรรย์ของจิตได้อย่างไร แต่เราคำนึงถึงออกชื่อองค์สมเด็จพระส ม, มสานสำเพท่อเจ้าแต่เดิมก็ น, นามเจ้าชายสิทธัถ์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่เองแต่เป็นคนตร ก, กูลกระสัสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างแต่ความสา ม, มารถที่พระองค์ มีจิตใจฉเฉลียวฉลาดสามารถประกอบประโยะ์ทำกิจในชีวิตของพระองค์หรือในตัวของพระองค์ไม่เหมือนใครอน่นบรรดากษตรทั้งหลายแต่อดีความคิดความอ่านตั้งตง่ถ้าเราย้อนหลังไปอีก ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ที่พระองค์ทรงสร้างปารเที่พระองค์ฝุกฝนจิตนั่นเองการสร้างปารมธเอาจิตนี่สแสวงหาพิสูรไม่ใช่ชาติหนึ่งสองชาติท่านว่าสี่อาส่งไข่กับตรงไรกับหลายหลา ย, หลายชาติพระองค์ค้นความด้วย เอาจิตใจของพระองค์ไปพึกฝึสูตรและสังเกตเป็นเครื่องวัดมาสะการระดับระดับร ะ, ะดับมาจนรู้จักว่าการกระทําความดีนั้นมีปัจจัยมีอุปณิสัยไม่ใช่ว่าอบรมแล้วสูญเสียไปแล้วหมดไปจิตนี้สามารถสะสมความดี ไม่ให้สูญเสียไปเปล่าให้สามารถเอามาใช้เกิดประโยชน์ได้สามารถบันทึกไว้ความจำที่ยั่งาืนเจ๋งเกิดธรรมชาติที่สร้างขึ้น เพราฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตจึงเป็นจิตที่สําคัญและควรให้ความสําคัญเพราะเป็นงานไม่ใช่งานน้อยๆเป็นงานที่ท้นทุกข์ท้นภัยจริงๆขัํขพขาพบขั้าฆ่าถ้ากระทั่งแม้ว่าเรายังเกิดมาเรียนว่าใจเกิดผู้ที่ฝึกจิตไม่ว่าหลักวิชาอาการวิช า, าการใดๆ จิตนี้มันผึกออกมาให้ได้สําเร็จทั้งท้งโลกทั้งทางธรรมล้วนจึกได้จากจิตที่มันเก็บข้อมูลรวบรวมคิดออกมาได้จากนามธรรมมันเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้มีผลงานประกอบที่น่าอาศัศจรรย์เราทั้งหลายจะได้ฝึกฝนจิตของเราให้เข้า เข้าทางหรือเข้าตามทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้สุดมาได้พบเห็นตามพระองค์ที่สุดมาเกิดเอาตัวเราจิตเราเป็นพยานของพระองค์เอพระองค์พูดแบไว้อย่างไรจะนับจารายอย่างไรมันปรากฏในจิตในใจเส้นสงสัยในสิ่งที่เราได้สัมผัสแล้วได้เห็นแล้ว ที่เราได้ประสบมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีความเริ่มใสอัศจรรย์ที่พระองค์ทรง ส, งสามารถบัญญัติคำสั่งสอนวางเป็นหลักสูตรให้คนอื่นศึกษาเรียนเข้าใจตามได้ให้รู้ได้เห็นได้เห็นความจริงได้ด้วยตนเองไม่ใช่เชื่อตามที่คำพูดแล้วไปเชื่อตาม ได้ยินคำพูดเราไปเชื่อับโดยเราไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้รับรู้ด้วยใยตัวเองคำสอนประพุทธเจ้าไม่เป็ น, ค, นคำว่าสวาคขาโตพระธรรมที่องค์สงเด็จพระสมาสัมพุทิเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเพราะมันดีที่เราสามารถที่จะบังบสันทิสที่โกลาเห็นได้ด้วย ไม่ใช่ว่เราไม่เห็นด้วยด้วยตนเองโดยสุดท้ายเมตสัพโพวินอยู่วินโยผู้รู้ทางหลายรู้รู้เฉพาะตนได้รู้จริงเฉพาะตนจริงจริงแต่ใครไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ไม่เป็นฌาา น, นะผู้ไม่ปฏิบัติได้เฉพาะผู้บรรลุผู้ถึงเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายน่าพิสูจน์นาศึกษาน่าตั้งใจปฏิบัติจริงๆเมื่อเราสงสัยหลับตัวเรานี่ยจะได้หรือไม่ล้วเพียงแต่คิดทํานี่เราก็ไม่รู้จะทำให้จริงหรือไม่เหมือนกับพระองค์แบบมันพระองค์วางไว้พระองค์วางไว้ บทเกณฑ์ให้เราปฏิบัติสิงมีข้อสํารวมอินทรีย์สํารวมตาหูจมูกเลิ่นตายใจด้วยมีสติสังวรสังรวมให้อยู่ในบทเกณฑ์ในพระปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าสังอัญเชิญปฏิบัติให้ครบถ้วนโดย ความเคารพโดยความเรื่องใสโดยความพอใจสมาธิอบรมจิตของเราให้ตั้งมั่นด้วยสมฉะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือด้วยการภาวนาตามหลักที่ท่านกล่าวไว้อบรมจิตใจของเรา ด้วยใช้สติระลึกรักษาใจของเราให้ใจนั้นรวมเป็นอารมณ์อันเดียวมาไปชุมกันให้รู้ในจุดใดจุดหนึ่งอารมณ์อันเดียวด้วยอาศัยคำบริกรรมคือคำระลึก เป็นหลักนั่นเงั่งเป็นหลักนั่นเองให้เรากำหนดจะเลิกรวมอยู่ในที่จุดนั้นจะเอาพุโทโธกันลเลยลิกจะเอาลมหายใจเข้าออกอย่างไรถ้าเอาอย่างไรให้เอาอย่างนั้นทำไปกำหนดไป ในทำในคันนี้อยากพุ่งอยากรู้อยากเห็นอยากสนงกถ้าเอาอยากไปเกี่ยวข้องในจิตมันก็ละเอียดไม่ได้ในที่ของเราก็รู้ว่าตามปลยวางสามรู้อย่างไรก็พยายามตีเพราะว่าคํำว่าความสงบคือพทนจากความดิ้นย้อนกระเสือกกระสนรุ่นว่าพุ่งส ร, ร้างรำคาญเนี่ยซึ่งในรู้จะเป็นสัตว์ปุ่มของความไม่ของความสนุก เรื่องที่ไม่สเพราะฉะนั้นความสงบก็คือการปล่อยวางและไห้เรืออันเดียวฉทนั้นเพราะฉะนั้นทางตาเคยเห็นอะไรเราก็หลับตาทางหูก็ได้ยินเสียงอะไรเราก็ไม่สนใจทางจมูกได้กลิ่นอะไรเราก็ไม่สนใจทางเล่นมันจะ เนี่ยอะไรเมื่อก็ไม่ต้องแต่เงเกี่ยวกับแบบรสอดีตอนาคตไม่ไปคิดแต่ น, นึกในเรื่องรสตา่างๆในเรื่องกลิ่นตา่างๆในเรื่องเสียงต่งตางๆในเรื่องรูปต่งตางๆซึ่งเป็นอารมณ์ที่เราหลงคิดนึกกายจะมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ ติดประตูทางกายไม่เอาเพราะเรานั่งในอิริยาบถเดียวอาจจะ ก, ก่อควรจิตใจก็ได้ถ้าถ้าเราไม่มีสติเพียงพอวันไหวเตลี่อนลงไปตามความรู้สึกเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเฉยไปก่อนอเพื่อมาสนใจในเรื่องพุทโธธรรมที่เราบริกรรมไม่ให้สในใจอย่างอื่น เราเสียสละสิ่งอย่านี้แหละเราเสียสละโดยเชื่อมันของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทุกข์ไม่ได้สอนให้เราในรับความเดือดร้อนเป็นโทษเป็นภัยเพราะการปฏิบัติเพราะเรื่องสมาธิเรื่องของความสุขยกตัวองความทุกในเรื่องกายเล็กๆหน่อยน้อยตอนนี้ถ้าเราไม่สนใจจิต เราผ่านได้สติของเราดีสมาธิของเราดีมันไม่มีปัญหาเลยมันดับไปเองต่อหน้าต่อตาเราให้เราได้ความตื่นใจไละดีใจถ้าเราจิตของเราไม่ต้องโยนปล่อยวางได้จริงๆจากความเจ็บปวดเล็กเล็กน้อยๆโดยเราไม่ต้องไปคลิกไปไกลไม่ต้องคิดตัวว่ามันจะเป็นโรคภัยอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าไปคิดแต่นั้นจิตลงสู่สมาธิไมยด้เข้าช่องไมยด้จิตข้างอยู่ในอยัอยาเข้าสู่ห้องสงบไมได้เพราะฉะนั้นเราต้องเฉยในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัะและอารมณ์ต่างๆที่จะมันสร้างขึ้นในใจเราตัวเราเองไม่ให้สงบไม่เอา สลัจร hmm. ิงหรือไม่สลับกอแล้วจะเอาพุทโธอย่างเดียวหรือพุทโธเลยพอกันเอาลมหายใจก่อาทำให้สุขด้วยลมหายใจก็ได้ความสุขอยู่ตรงนี้มีอยู่แล้วไม่สนใจเรื่องทุกอยู่ที่อื่นใช่ไหมล่ะเราได้ลมหายใจเราพอแล้วหายใจเข้าโถพุทโธเราทอนใจก่อใจสบายและสงบได้เลยถ้าเราอุบบายอันนี้อุบบาย ในวิธีรอดใจของเราให้สนุดให้ดุจแต่ไม่ใช่หลักต้องมีสติดำนี้อันนี้อยู่ในอุบายความฉลาดของสติของที่เรากำหนดภกษาตัวของเราจิตมันอ่อนจามมันคล้อยตามตมันไม่ขัดเราพุทโธเดี๋ยวมันก็สนอปัญหายไปเองละเรือ ถ้าไม่สงบยิ่งปอดยิ่เจ็บนั่งตายยิ่งเจ็บถ้าเราใช้อุบายเจ็บตายยอมตายไม่เคล็ดทำใหถึงกําหนดที่เราตังสัจจะจ้าตายเขาตั้นั่งสมาธิเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์กล่อมจะตรัสว่วนั่งสมาธิในกลางนั้นพระองค์ตั้งสัจจะสัจจะยังเน้นฝังเลย ยังยอมชีวิตเลยท่านว่าถ so ้าเราไม่ได้บรรลุท่านไม่ลุกสุนทรศัจดิ์นี่มันขนาดไหนลองคิดดูถ้าไม่ได้สัตว์ลุกท่านเราจะไม่เคลื่อนจากที่ไม่ลุกจากนี้เลยซึ่งแม้กระดูกร่างกายนี้น่ยเหอดแห้งไปยังเหลือแต่นังทิศกระดูกก็ตาย หรือกระดูกจะลุกร่องออกไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกทาไม่ได้จกักรู้มรรลุธรรมพระองค์ตั้งศักดจากเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ตั้งศักจากแล้วจึงมีมารมารอมากรรควรให้พระองค์เสียสักดิก์มาทำท่าแจกท่าแากเตะประหารให้พระองค์ลุกเคลื่อนที่ ถ้าองค์ทำยังไงพระองค์หลับตายกระตายว่าเราเนื่องจากจัดแล้วมามาไหวยังไงมาที่นั่งตรงนี้ของมันที่มันลังตรงนี้ของมันหมลูกแกงไม่ท่านไม่สิทธอะไรไม่นั่งตรงนี้พราไม่ลูกแก่นี้จะฆ่าอะไรแล้วแหละมันมีตําลังสร้างชีวิตมาจะฆ่าสองพระองค์ไม่หวั่นไหวปรมีที่พระองค์สร้างมาเคยตายมาหลายครั้งหลายผลแล้วเคยสลับมาแด้วชีวิตแต่เรา ไม่มีทางคนเหมือนกับรจะทํำลายสัจจ์ต้องการอะไรถ้าทำถึงต้องการข้าก็บข้าเรียกว่าดานาดิธรรมวิจินาพระองค์เสียสลักชีวิตเสียสลักพนอย่าณเขาทําเรียกว่าดานาที่ทำคือฐานนั่นเองสลักนั่นเองชนะด้วยพระองค์เสียสลักท่งนเจริญสานุนิภาพุนนั่นที่สวิต ด้วยสัจจะนี่เองผลที่สุดจะคู่เต็นให้พระองค์รบ ก, ก็ไม่รบพันยังไงให้พระองค์วันไว้พระองค์ก็ไม่วันไว้เฉยได้ผลที่สุดมันเหนื่อยเองหมด ก, กําลังไปเองมันก็ทําอะไรไม่ได้มันก็กลับไปมพระองค์ก็ชนะมาเข้าสู่ไม่มีมารก่อกรวดติตกับผองใสมารคืออะไรกิเลสสมาขัดทัศน์ เราเนี่ยก่อกวนมานภายในคือกิเลสมานภายนอกคือขัดรูปเรานี่เวทนาเราเนี่ยแต่มันก่อกวนจิตพระองค์แต่พระองค์เลึกได้เอาชนะได้ได้ปราศรูนในวันนั้นให้เราทั้งหลายข้ามนั่งรู้สึกเจ็บปวดท่าน เรานั่งชนะได้ไม่ยอมลุกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตายเป็นตายจนจิตสงบในชนะต่อหน้าต่อตาหายปวดต่อหน้าต่อตาท่านจะเห็นอัศจรรย์มากที่เดียวในตัวของท่านในจิตใจท่านการนั่งแล้วมีสุขไปเรื่อยสบายไปเรื่อยสงบไปเรื่อยไม่อัศจรรย์เหมือนกับเราได้ทุกข์ปวดเหมือนกระดูกจิตแตกสมริขาดแล้วเราไม่ยอมเลิก มานั่งจนจิตสงบได้ในเวลานั้นในขณะนั้นในวันนั้นนยื้อจนน้เทลายกระต่อสู้เวทนาอานิจจจะเชื่อเถอะมันสู้ไประยะหนึ่งทักกำลังเทียมกำลังสติของเราดีเรามีกำลังมากกว่าเนื้อมันแล้วมันจะต้องถอยก่อนเราแต่โดยส่วนใหญ่กำลังสติกำลังสมาธิของเราน้อยพอ เจ็บปวดเล็กๆน้อยๆเราถอนออกก็เลยกําลังมัเหนือกว่ามันก็วิ่งแข่งกันอย่างนี้เราหมดกําลังก่อนมันก็ชนะเราถ้าห่ากว่าเราพัฒน์หนึกกาลังต่อสู้ได้ชนะเราอัศจรรย์มากขึ้นจะเห็นปรากฏขึ้นในจิตใน่จเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่าน ตอนหนาท่านต้องมีแข่งกับพิเลศแข่งต่อสู้เอามชนะโดยสักวข่าวใดข่าหนึ่งเหมือนกับ น, นักมวยถ้ากับปราบนั้นอยู่แล้วที่หลังมันกกลัวเนี่ยมันรู้สีมือเรงจับมันรู้จักขันติของเรารู้จักวิริยะของเรารู้จักสักจจะคือปรมีของเรามีกำลังเ น, นก้อ่าแล้วพิเลศมันก็ยอมเหมือนกัน มันก็ถอยเหมือนกันถ้าหกว่าใครไม่เคยได้ผ่านอันนี้แล้วยังชาพผู้นับไปปฏิบัติเคยไ่้ยชนะได้ผ่านอันนี้แล้วมือได้นี่ครับที่แบบนี้จึงจะคยอยๆลงต้นที่หลังนันนั่นนานเท่าไหร่ก็ได้สบายไม่ปรด ความสุขในเวลานั้นทั้งกลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันเป็นอย่างน่าอัศจรรย์เพราะไม่มีภัยไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนมันยอมราบคาไปได้ตัวให้เราได้ดูเรทังยืนเดินนั่งนอนไม่ต้องสชรวมยากไม่ต้องปริกรรมยากนี่จิตทุศน์ฝนแย่า ใช้การใช้งานได้ดีชนะพิเรชนะทุกภัยในวัฏสงสารข้ามพบข้ามชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะากพิสูจน์อยากจะ า, าทดลองก็ได้เพราะว่าพระเจ้าทรมาแล้วพรอริยเจ้าคู่บาอาจารย์ท่านเคยต่อสู้มาแล้วแล้วก็มีผลทีเพิ่มพอใจมแล้วถ้าเราต้องการตั้งใจก็ในภาษานน่ แต่เรยนวาราณาจารย์ท่านว่าให้ตั้งใจข้อวัดปฏิบัติเพื่อเป็นปริมีธรรมของเราเราจะตั้งใจประกอบความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิวันหนึ่งกี่เวลาจะเอาเวลาไหนจะทำอย่างไรเราเทียนตัวเรื่องทำความเพียร ประกอบจของเราเพื่อให้ได้ถึงธรรมที่เรายังไม่ถึงเพื่อจะได้เห็นรู้เห็นธรรมที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเพื่อจะได้บรรลุธรรมที่เรายังได้บรรลุไม่แน่นักพวกเราอาจจะเคยสร้างกรณีมามากแล้วกดได้เมื่อประสบหมาะแล้วเราก็จะได้ เรทาทำเห็นทำแจ้งประจักษ์ในจิตใจในธรรมในทางที่พระองค์ทรงพาดันเนินมาแล้วเช่นสนใจเ ไ, ได้ดับพบดับชาเราไม่ควรประมาตัวเราเองควรตั้งใจการทำความดีไม่ไม่ขาดทุน ย่อมเป็นคนหนุนเราถึงไม่ได้บรรลุเดือยนี้ก็ยังเป็นนิสัยเป็นกําลังคนหนุนเราเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้สะสมมาทุกภพกทุกชาตินี้เองเป็นปริมาณธรรในชาติสุดท้ายที่ไอ้พระองค์ได้อัศกษิรก็กําลังเก่าที่พระองค์ได้สังสมมานี่พระองค์จึงสา ม, มารถมุเเรนิวาสร้างนุสติจารย์และลึกชาติไปถอยหลัง เพราะมันทํามาจนช่างเจาสามารถเลือดได้อเหมือนถ้าเราเรียนสวดมนต์มาเก็บหลายปีมาแล้วเราก็สิ่งที่เราเลื่อนมาแล้วเก็บไว้แล้วในใจแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ยังสวดได้แม้แต่เราไม่ได้สวดไม่ได้นม่มาการงานอะไรที่จิตมันบันทึกไว้ ในชั่วสติสติของเราในปัจจุบันชาติหนึ่งชาติหนึ่งอดีตคือแต่ตีก่อนๆที่เราเรียนตั้งแต่เล็กๆไปยังยังระลึกมาใช้ได้มีประโยชน์ได้อักขระพยัยชนะก่อไก่เนี่ยยังเรียกมาใช้มาเทียนได้ตลอดไม่ไม่หายไปไหนมันมีท่ทีนี้ถ้าสะเนั้นกับทักษะที่เจ้าที่กระองคสุดสตินี้ไม่ใช่ระลึกได้แต่ชาติในชาติ มีกำลังเพียงพอเลยถึงธรรมชาติบริสุทธิ์สามารถเจระดรกได้อีกไปอดีตที่ผ่านมาแล้วหลายภพหลายชาติต่ออย่างเหมือนก็พระพุทธเจ้าชาวยาเจ้าธรรมะสามารถเจริญรู้ได้เห็นได้ถ้ารู้ได้การเรียนว่ายใจเกิดใครทำดีทำชั่วแล้วมาเกิดชาติต่อมาก็ได้สุข บ, บ้างได้ทุกบ้าง แต่เกิดตระกูลสูงบ้างตระกูลต่ำบ้างมีโรคมากบ้างมีโรคน้อยบ้างใครก็ททำอะไรแล้วผลกรรมท่านก็สามารถนึกตามทางมาตลอดเห็นตั้งแต่เบื้องต้นถึงเบื้องปลายที่สุดท่านก็มั่นใจรักสตรกฎเกณฑ์ของกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ได้สูงสลายไปไหนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงให้ผลอยู่ตลอด พระองค์ได้สะสมเป็นพุทธิจ้าเพราะบุเดียของการที่เรรวบรวมกำจีพลังแหงความดีนั้นเองคนติดกับทุกข์ใดยอยากมีอไม่น้อยพระองค์ก็มองเห็นตัวถ้าองค์เองบางครั้งตกังเสือทำความชั่วตกนรกตกทุกข์ใดยอยากพระองค์ก็เห็นหมาเอง พระองค์ก th ็ไม่สงสัยเรื่องบาปเรื่องกุลบเรื่องรบเรื่องสวัสดิ์เพราะผลความดีความชั่วสิพระองค์ได้ฝึกได้จดจำบันทึกไว้อย่างมั่นคงพระองค์จึงตรัสถูกต้องมาสองพันกว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเป็นอย่างอื่นนะย้าว่ไปสองพันกว่าปีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนก็ ก็หมดกระสู้อย่างไรทำเหล่านั้นอย่างไรพระองค์พระเจ้าองค์ปัจจุบันก็ปรากฏชัดในทำเหล่านั้นอันเดียวกันเมื่อทราบจิตพระองค์ในอริยสัจจะทำทั้งสีเป็นอมตะถัดแน่นอนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าได้กดระสู้สอนเหมือนทางเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมดไปมีอยู่ในโลก ต่เไหนเจนหาพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าที่พระองค์ทรงทยากร้ายเจีมมาสัตวสรุ่มสอนสัตรลงอีกยังมีทั้งหลายพระองค์อีกก็สัตษ์สรุธมทำอย่างเดียวกันสอนทมแบบเดียวกันละความชั่วทำความดีทำจิตให้สะอาดนี่จดหมายปลายทางสามทางเหมือนการทดสอบ พราะความเชื่อมาทําแล้วปวดทุกข์อยู่อย่างนั้นตั้งแต่ปวดโคตรเจ้าทุกข์โกรก็เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็สอนให้รับแม้อนาคตข้างหน้าก็ตามให้ผลทุกข์เหมือนก็อย่างนั้นทั้งความดีก็ได้ความสงบความสุขได้ความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอนาคตข้างหน้าก็ตามให้ผลมหาไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุดถ้าเราได้ปฏิบัติไปจาก แคบในติดใจของเราแล้วเราไม่มีสงสัยในสินใจในทางความสมดุลทุกข์จิตในเรื่องกรรมดีกวามชั่วเรื่องเกลเจ็บใจเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่สงสัยเพราะจิตนี้มันสามารถพุงแต่งได้ทําชั่วมันก็แต่งชั่วได้อย่างน่าอัศจรรย์ทำดีมันก็สร้างความดีได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ทําชั่วมันก็ลผลออกมา ทำความเสี่ยงเอาให้เราผลาทั้งตัวเองในปัจจุบันในชาตินี้ียังจะเห็นอยู่แล้วจะสงสัยอะไรนในเรื่องความดีความชั่วเพราทจะทำดีทาชั่วเมื่อเราไม่สงสัยจะ่อแล้วขอให้เราทำงานเมื่อมีโอกาสในเวยานีนเจอหล่อว่างเราได้เข้ามา อยู่ในที่สงบที่ว่าหาโอกาสว่างอย่างนี้ไปหาได้ที่ไหนในเวลานี้ปัสมุบันนี้ขอให้เราทั้งหลายสำเนียกสำเนึกโดยนึกแล้วตั้งใจปฏิบัติปฏิสมัมในวันหนึ่งที่เราหมดไปหมดไปให้ได้อะไรมาแทนบ้างให้หมดไปต่อเปาให้มีเหลืออยู่ในใจของเราถึงร่างกายจะสุขทรงชีวิตจะหมดไป วัตถุที่เราบำรุงเลี้ยงชีวิตหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่น้อยนี่อะไรเหลืออยู่ถ้าเราปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาในทาททำให้เหลืออยู่ได้นีม่มีประโยชน์ก่เรามากอย่ากมันหมดไปเพอกลเราเพราะสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะเก็บรวบรวมมาหาใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปได้อย่างดี ส่วนร่างกายนี่ที่ร่วงไปแล้วกลับมาใช่อีกไม่ได้เลยเหมือนจะเราเคยเป็นเด็กแล้วเอาเด็กมาใช้อีกไม่ได้เคยเป็นหนุ่มสาวหรือมดทุนมาแล้วก็เอามาใช่อีกไม่ได้หรือเคยกินอาหารที่อร่อยมีกำลังวังชามีมความสุขเรากลับมาใช่อีกก็ไม่ได้หมดไปแล้วก็หมดไปส่วนธรมรมะกลับใช้ได้หมุมเรียนได้เลิกได้ ให้ช่วยให้เกิดความสงบความเย็นใจได้โดยไม่ต้องไปหาเทื่นมาอีกเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายควรให้ตั้งใจสําเร็จตั้งใจปฏิบัติเมื่อโอกาสอันดีจะได้แค่ยงไหนเพียงไรบัณฑิตไม่ละความเพียรยากบัณฑิตดิตไม่ละความเพียรในทางทางคุณงางความดีเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจเกิดจิตมารี จะไม่ไปภาวานาต่อสังข์โคนเกิดเวลาใหไรุดยอบ